การสาบานด้วยสิ่งต่างๆ5 อย่างนั้นชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของเรื่องวันนี้ได้กล่าวถึงบรรดาผู้ยําเกล็งขณะที่พวกเขาอยู่ในสวนสวรรค์อันสุขสําราญอยู่บนเตียงที่หันหน้าเข้าหากันอัลเลาะห์ทรงประทานความสุขสําราญนานาประการให้แก่พวกเขาเช่นคู่ครองที่สวยงามการพบปะอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากับบุตรหลานความปลื้มปิติยินดีกับอาหารและเครื่องดื่มนานาชนิด ผลลัพธ์มาลอาหารพวกเนื้อชนิดต่างๆความต้องการและความปรารถนาและอื่นๆจากนี้ในจําพวกของความสุขสําราญไม่เคยพบเคยเห็นและนึกคิดมาก่อนเลยบัดนี้ได้กล่าวถึงศาลของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่อัลลอฮได้โปรดปรานให้แก่มุฮัมมัดด้วยการเป็นนบีและเป็นรอซูลดังนั้นมุฮัมมัดจึงไม่ได้เป็นนักเล่นกลนหรือเป็นคนวิทย์กลนจริตตามคํากล่าวอ้างของพวกปฏิเสธ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 ละบรรดาเจว็ดของพวกเขาโดยการประณามและการตำหนิและได้อธิบายถึงการดื้อรั้นอย่างชะกาดของพวกเขาและใช้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอดทนต่อการถูกทำร้ายในแนวทางของอัลลอฮ์จนกว่าความชื่อเหลือของอัลลอฮ์จะมาถึงบทนี้ถูกขนานนามว่าบทอัตทูรเพราะอัลลอฮ์ทรงเริ่มต้นบทด้วยการสาบานต่อภูเขาอัตทูร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 ขอสาบานต่อภูเขาอัตตูรวะกิตาบิมัสตูรขอสาบานต่อคัมภีร์ที่ถูกจารึกไว้ทีร็อกกิมมันชูรในม้วนกระดาษหรือหนังที่กางแผ่วัลไบติลมะอ์มูรวัสซอฟฟิลมัรฟูอ์วัลบะห์ริลมัสจูรขอสาบานต่ออาคารที่มีผู้ไปเยือนอย่างสม่ำเสมอ ขอสาบานต่อท้องฟ้าที่อยู่เบื้องสูงขอสาบานต่อทะเลที่ดุโชทช่วงในวันกิยามะอินนาอะซาบะร็อบบิกะลาวาคิอถ้าจริงการลงโทษของพระผู้อภิบาลของเจ้าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนาละฮูมินดาฟิอไม่มีผู้ใดจะปก ป้องมันได้ยอมะตัมูรุสสมาอูมอรวันที่ฟ้าจะสั่นสะเทือนอย่างโลกาหวนวะตัสีรุลจิบาลุซัยราและภูเขาจะปลิวว่อนกระจัดกระจายตะวัยดุยยอมะอิดิลลิลมุกัดดิบีนและนั้นความหายนะในวันนั้นจงประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธอัลละซีนะฮุมฟีคอฎิยัลอบู บรรดาที่พวกเขาอยู่ในการมั่วสุมการเล่นอย่างไร้สาระ يوم يدعون الى نار جهنم ما دعوا วันที่พวกเขาจะถูกผลักลงนรกยานนําอย่างผักไสไล่ส่ง هذه النار التي كنتم بها تكذبون นี่คือไฟนรก ซึ่งพวกเจ้าเคยปฏิเสธมันอะตัสิหรุฮาดาอัมอันตุมลาตับซิรุนนี่คือเลขกวนหรือว่าพวกเจ้ายังมองไม่เห็นอิสลาฮาฟัสบิรอาวลาตัสบิรุซาวาอ์อะลัยกุมอินนะมาตุจซะอูนมากุนตุมตัมะลูนจงเข้าไปเผาไม้ในนั้น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 مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ نَوْنِ اِكْنِهِق بُن تِيง เรียงเป็นแถวและเราได้ให้พวกเขามีคู่ครองเป็นหญิงสาวชาวสวรรค์ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا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 และเราจะไม่ให้การงานของพวกเขาต้องลดหย่อนลงจากพวกเขาแต่ละคนจะได้รับการประกันในสิ่งที่เขาได้ขวนขวายไว้และเราจะเพิ่มพูนให้แก่พวกเขาซึ่งผลไม้และเนื้อตามที่พวกเขาต้องการ พวกเขาจะเปลี่ยนถ้วยแก้วกันในสวรรค์จะไม่มีการพูดจาที่ไร้สาระและไม่มีการทําบาปมีเด็กวัยรุ่นของพวกเขาวนเวียนรับใช้พวกเขาเสมือนว่าเด็กเหล่านั้นเป็นเช่นไขมุกที่ปกปิดเอาไว้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 ดังนั้นอัลเลาะห์ได้ทรงโปรดปรานแก่เราและได้ทรงปกป้องเราให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟที่ร้อนเป็นพิษอินนาคุนนามินกับลุนัดอูฮูอินนะฮูวัลบรรรุรเราฮีมแท้จริงเราได้วิงวอนขอต่อพระองค์แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงเอื้อเฟื้อผู้ทรงเมตตาเสมอ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٌ ดนันเจ้าจงกล่าวเตือนเนื่องจากความโปรดปรานแห่งพระผู้อภิบาลของเจ้าเจ้าจึงมิได้เป็นโหรและมิได้เป็นบ้า อَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ หรือพวกเขากล่าวว่า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 ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ا روا ستปัญญา ของพวกเขาใช้พวกเขาเชื่อเช่นนั้นหรือว่าพวกเขาเป็นกลุ่มชนผู้ฝ่าฝืน ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون หรือพวกเขากล่าวว่าเขาได้ปั้นแต่งคัมภีร์อัลกุรอานขึ้นเอง กล่าวดอกพวกเขาไม่ศรัทธาทั้งฮะดังนั้นพวกเขาจึงนําคํากล่าวเช่นเดียวกันนี้มาหากพวกเขาเป็นผู้พูดจริงอมคลีกูมินไฆรชัยอ์อัมฮุมุลคอลิกุนหรือว่าพวกเขาถูกบังเกิดขึ้นมาโดยไม่มีผู้ให้บังเกิดหรือว่าพวกเขาเป็นผู้ให้บังเกิดตนเองได้ ਅਮ ਖਲਕੁਸ ਸਮਾਵਤਿ ਵਲ ਅੱਦ ਬਲ ਲਾਇਤਨ ਰਿਵਾ ਪੋਕਾਹ ਬੈਨ ਪੂਸਾਂ ਬੰਦਾ ਚੰਨ ਫਾ ਲੇ ਪੰਦਿਨ ਪਲਾਵ ਲੇਰ ਪੋਕਾਹ ਮੈ ਚੇਅ ਤੰਹਾ ਅਮ ਇਦਹਮ ਖਜ਼ਾਇਨ ਰੱਬਿਕ ਅਮਹਮੁਲ ਮਸਾਇਤਿਰਨ ਰਿਵਾ ਪੋਕਾਹ ਮੀ ਖੁਮ ਸੱਪ ਹੈਂ ਪ੍ਰਭ ਪੂਬਿਬਾਨ ام لهم سلم يستمعون فيه فلياتي مستمعهم بسلطان หรือว่าพระองค์ทรงมีบุตรหญิงหลายคนและพวกเจ้ามีบุตรชายหลายคนอัมตัสอลูฮุมอัจรอนฟะฮุมมิมมะฆรอมมุษกะลูนหรือว่าพวกเจ้าขอค่าจ้างพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงมีภาระหนี้สินที่หนักอัมอีนดูฮุมอัลฆอยบะฟะฮุมยักตุบูน หรือว่าที่พวกเขามีสิ่งเร้นลับแล้วพวกเขาได้บันทึกไว้อัมยูรีดูนกัยดาฟัลลดีนกัฟารูฮุมุลมักีดูนหรือว่าพวกเขาต้องการที่จะวางแผนร้ายแต่ว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาต่างหากที่จะถูกวางแผนร้ายอัมละฮุมอิละฮุนกัยรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮิอัมมายุชริกูนหรือว่าพวกเขามีพระเจ้าอื่นจากอัลเลาะห์ มหาบุรุษยิ่งใหญ่อัลเลาะห์จากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคีวะอิรอนกิสตัมมินัสสะมาอ์ซากิฏันยะกูลูซะฮาบุมมอร์กุมขั้นเมื่อพวกเขาเห็นชิ้นส่วนหล่นลงมาจากฟ้าฟ้าพวกเขาจะกล่าวว่ามันเป็นเพียงก้อนเมฆรวมตัวแต่ต่อพวกเขาจนกระทั่งยุคของพวกเขาที่ในนั้นถูกฟาด ดังนั้นจงปล่อยพวกเขาเถิดจนกว่าพวกเขาจะพบวันของวันพวกเขาซึ่งในวันนั้นพวกเขาจะถูกทําให้เป็นลมหมดสติไปเองยามาลายุญนีอันฮุมไคดูฮุมชัยอวะลาฮุมยุนซอรวันซึ่งแผนการร้ายของพวกเขาจะไม่อํานวยประโยชน์อันใดแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือเลย وَإِنَّ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَثَاجِينٍ سَمหรับ บันดาผู้อธรรมนั้นจะได้รับการลงโทษอื่นจากนั้นอีกแต่ว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู้ وَاسْتَبِ حُكْمَ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ ท่านทั้งหลายจงอธิษฐานต่อพระบัญชาของพระผู้อภิบาลของเจ้าเพราะแท้จริงนั้นเจ้าอยู่ในสายตาของเราและจงแซ่ซ้องสดุดีด้วยการสรรเสริญพระผู้อภิบาลของเจ้าขณะเมื่อเจ้าลุกขึ้นยืนและส่วนหนึ่งของกลางคืนก็จงแซ่ซ้องสดุดีพระองค์และเมื่อยามคล้อยลับของหมู่ดวงดาว